เพราะมันต้องสลายแน่นั่นแหละมันจึงเรียกว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์ก็ได้เพราะคำว่ารูปแปล ว, ว่าสลายไปมันไม่สามารถจะอยู่ในสภาพเดิมได้ต้องสลายไปวันยังค่าแต่ว่าอนิจจาวิปลาสมันบอกว่าอู้อีกนานไม่เป็นไรหรอกอีกนานเนี่ยนะนั่นเป็นความอะไรนะวิปลาสแปลวิปลาสนะวิปลาโสบาลีใช่ไหมแล้วดีกาท่านขยายว่าวิปริวิปริตะแปลเป็นภาษาไทยว่าวิปลาสคืออะไรคือวิปริต คือมันมันไปคิดอะไรที่มันตรงกันข้ามมันไม่ใช่ความเป็นจริงอ่ะนะอันนั้นความคิดอันนั้นเรียกว่าเวปริธมันคําว่ารูปแปลว่าสลาย <c oughs> แล้วรูปคืออะไรรูปก็คือภูตารูปเละไทยอุปาทายรูปเนี่ยภูตรูปเนี่ยพูดก็แปลว่าพูดผีนั่นแหละมันก็ไม่ผิดหรอกนะพูดผีนั่นแหละพูดตัวนั้นเนี่ยแปลว่าผีก็ไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยนะหรือแปลว่าเป็นของใหญ่ๆ่ก็ได้อะไรนะใหญ่ใหญ่ในโลกนี้นะสิ่งที่ใหญ่ที่สุดคือดิน ข้แรกนะใหญ่หนึ่งดินสองน้ำสามไฟสีลมสี่อย่างนี่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีอะไรใหญ่กว่า น, นี้อีกแล้วดินน้ำลมไฟคือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดอั้นคําว่าพูดแปลว่าสิ่งที่ใหญ่โตที่สุดก็ได้หรือพูดแปลว่าผีก็ได้นะี่นะเพราะดินน้ำไฟลมเนี่ยมันสีขาวไหมตัวตัวตัวตั ว, ต ว, ต ว, ตวดินน้ำไฟลมมันสีขาวไหมแต่มันแสดงให้เห็นเป็นขาวได้เอามันเป็นสีเหลืองไหมไม่เป็นสีเขียวไหมไม่เป็นแต่ว่ามันแสดงสีออกมาได้ เห็นใบไม้ผุผุเนี่ยนะเห็นใบไม้ผุผุกลิ่นอับๆหน่อยเนี่ยก็ดูสีสวยไหมไม่สวยใช่ไหมถ้ากลางคืนเอาไฟลงไปนะมันลุกงามมากเออเอาไฟเนี่ยเอาไฟเผาใบไม้เก่าๆนะกลางคืนเดือนมืดมิดเนี่ยนะจะดูสวยอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะนะเพราะนั้นตัวมันเองเนี่ยมันก็คือสิ่งนั้นแต่มันพร้อมที่จะแปลสภาพไปไม่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพราะนั้นพูดนี่แปลว่าผีก็ได้คือมันหลอกนะมันหลอกสภาพ แล้วก็พูดอีกนางหนึ่งเขาบอกว่าพูดคือเหมือนกับเคยได้ยินคนบถูกผีสิงไหมเคยได้ยินข่าวประเภทนี้ไหมแล้วผีสิงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนผ่าออกมาดูเลยเห็นะบอกเออเขาบอกว่ามาหาพูดก็เหมือนกับมาหาผีมันเหมือนกับผีสิงอ่ะนะคนหามันยังไงก็หาไม่พบแน่นอนอะ่ะเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังก็ไม่ได้แล้วเขาบอกว่าเหมือนกับผีที่อะไรเคยถูกผีหลอกไหมเช่น เช่นไปเห็นเหมือนกับว่าใครคนสวยหนุ่มรูปงามไปนั่งอยู่ในที่เงียบๆอยู่ที่หนึ่งเข้าไปแล้วหายแวบอะไรเงเรียกอะไรเขาเรียกว่าถูกผีหลอกเป็นต้นเนี่ยนะก็เชื่อเขบอกว่าในโลกเนี่ยมหาพูดมันแต่งให้เออเหมือนเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเราเป็นของเราเป็นอุ้ยถูกผีหลอกทั้งนั้นแหละเหมืนก่อนไปนั่งดูก็าทำคอมพิวเตอร์บอกเออเนี่ยนั่งดูผีหลอกเหมือนก็จริงๆะนะเพราะเบื้องหลังของทุกสิ่งมันคือ มหาพูดมันหลอกนะมันหลอกถ้าจนมองเห็นเนี่ยเป็นดอกไม้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยคือเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรไปเลยนะแต่จริงๆอะเบื้องลึกๆของมันทุกเรื่องคือมหาพูดจริงๆนะเบื้องลึกๆของทุกเรื่องจริงๆก็คือมหาพูดและสิ่งที่อาศัยมหาพูดคือสีกลิ่นรสและโอชาทีนี้ถ้ามหาพูดเกิดการกระทบกันเมื่อไหร่จเพิ่มอะไรขึ้นมา เสียงขึ Survey ้นมาถ้ามหาพูดกระทบมหาพูดมันจะตาสิ่งที่พอวดออกมาคือเสียงที่ถ้ามหาพูดเหล่านี้เนี่ยนะมีสี่สมุธฐานบางอย่างเกิดจากกรรมบางอย่างเกิดจากจิตบางอย่างเกิดจากอุตุบางอย่างเกิดจากอาหารมหาพูดที่เกิดจากกรรมเนี่ยมาแต่งให้เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเจริญเติบโตด้วยข้าวสุกและขนมสดก็เป็นไปอย่างนี้แต่ก็คือมหาพูดวันยังค่ำวันยังค่ํา เคยเห็นแบบอะไรนะะบางคนก็มีแบบญาติเสียชีวิตอยู่ใกล้ๆเลยนะให้ตอนเป็นกับตอนตายเนี่ยนะโดยอาการสามสิบสองอยู่ครบไหมโดยอาการสามสิบสองนี่ยังอยู่หมดเลยนะแล้วมันต่างกันยังไงตอนคนเป็นกับคนตายโดยความวัดอะไรก็เหมือนๆกันไปหมดเนี่ยนะเลองแย ก, ย ก, ยกดูเหะมันไม่มีอะไรจริงๆอนะถ้าทิา่ครอบแบบคล้ายๆว่าอเอาเหมือนเอาวิทยุเนี่ย มาถอดซะหมดเลยเอาโทรทัศน์มาทอดให้หมดเอารถมาทอดให้หมดเอ า, าอะไรเพทอดๆไปแล้วมันไม่มีอะไรอะ่ะเบื้องลึกจริงๆมันก็ไม่มีอะไรแล้วสิ่งเหล่านั้นอย่างเช่นบอกเล็กนะเอาทัศนิม ก, ดกรดไปหมดมันก็หลือแทบจะไม่ไม่เหลือเป็นอะไรเพราะในโลกของคํามรูปแปลว่าสลายไปในที่สุดก็พร้อมที่จะแตกทําลายสลายไปโดยที่สุดแม้แต่โลกนี้ก็จะแตกสลายไปทุกคนเดี๋ยวก็สลายเนี่ยนะ ไม่สลายเอาไหมบอกว่าบางคนนี่บอกให้อยู่สักร้อยี่สเนี่ยนะบอกโอ้จะแช่งกันไม่ถึงไหนว่าเงินนะใครที่บอกบอกให้อายุยืนนี่บอกว่าคุณเนี่ยแช่งฉันชัดเลยอยู่ขนาดอยู่เนี่ยมันยังป่วยมันไข้มันทุกข์มันร้อนขนาดนี้ถ้าให้อยู่อีกห้าสิปีมันจะเดือดร้อนขนาดไปยังไงนะแต่นี่ไม่ได้พูดมาให้รีบไปลานะแต่หมายความว่าเออมันความเป็นอยู่เนี่ยนะมันเป็นทุกข์จริงๆ นึกถึงความความรู้สึกของภาษาในบทที่ท่านบริหารรูปของท่านเนี่ยท่านมีความรู้สึกว่ายังไงรู้ไหมเหมือนอย่างว่าชายหนุ่มหญิงสาวที่ที่อาบน้ําเสร็จเป็นคนรักสะอาดแล้วก็เอาซากศพมาแขวนคอซากศพสุนัขซากศพงูมาแขวนคอเนี่ยถามว่าท่านมีความรู้สึกยังไงคนคนแบบนั้นน่ยอึดอัดชิงชังเบื่อหน่ายถ้าบอกท่านเบื่อร่างกายของท่านอย่างนั้นแหละไหนๆอ่ะแล้วทําไมพระอรหันต์ไม่ฆ่าตัวตายล่ะก็บอกคุณเคยมีแผลไหม คยอกคุณชอบแผลไหมไม่ชอบอ่ะทำไมคุณค่อยๆรูปมันนะ่าดูเลยค่อยๆรูปค่อยๆเช็ดค่อยๆล้างค่อยๆถูทําไมอ่ะนี่ก็เหมือนการขันห้ามัมนก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นท่านก็ถึงท่านจะรังเกียจแต่พระรหารก็ไม่ทําการฆ่าตัวตายเป็นต้นเนี่ยนะเบื่อจริงๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นพระทหารเนี่ยถ้าพูดตรงๆเลยนะท่านพอถ้าท่านรู้ว่าวันไหนคือวันตายของท่านนั่นจะดีใจท่านดีใจมากเลยนะ ก็อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยอีกสเดือนปริณิพนธ์นี้ใช่ไหมตัดสินใจบอกโอท่านดีใจมากเลยนะ่ถ้าพูดแบบภาษาไทยแบบทั่วไปก็แทบจะ ก, กระโดดโลดเต้นเลยนะดีใจมากบอกโอ้หมดภาระสักทีหนึ่ง น, นะจบสักทีหนึ่งแต่ของเราพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้ว่าทิ้งมหาภาระอันนี้แล้วไปรู้โผตรงไหนก็ไม่รู้นะก็ก็ ก, ก็ยังคิดอยู่นะเออเดี๋ยวคิดให้ดีๆนะไปฝากไว้กับมดลูกของผู้ใดหนาะ น, นะ ไปอยู่ในมดลูกไหนเนอแล้วแม่เป็นยังไงหนอแล้วก็ไปทิ้งเราที่ไหนเนาอย่างเงี้ยนะก็คิดคิดให้มันหนักหเข้าไว้นะใครที่ยังไม่สิน้นชั้นราคะในรูปทั้งหลายรูปทั้งหลายสลายแน่แต่ว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งแต่สรุปตรงนี้ว่าคำว่ารูปแปลว่าสลายไปเนี่ยนะแต่ถ้าใครเห็นรูปแล้วคิดตรงกันข้ามกับคําว่าสลายนั่นแสดงว่าไม่เห็นรูปตามความเป็นจริง ไม่เห็นว่านั่นคือภูตรูปนั่นคืออุปาทายรูปสิ่งเหล่านี้คือธรรมชาติที่สลายไปถ้าไม่เห็นว่าเป็นแบบนี้นะไม่เห็นแบบนี้เรียกว่าไม่เห็น Heh. ตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงคือเห็นว่านี <S <S ้คือภูตรูปหรือคืออุปาทายรูปธรรมชาติของสิ่งนี้คือสลายไปเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงไม่กล้าคิดเลยนะป้าบุญล้อมเห็นป้หน้าไม่กล้าคิดว่าเป็นรูปเลยนะ กล้าไหมเออเ น, นี่ยประกอบด้วยภูตรูปและอุปาทายรูปแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่สลายเนี่ยนะก็ถ้าจะทำถ้ามีความเข้าใจแบบนี้จริงๆอ่ะนะอันนี้เรียกว่ารู้จักรูปทําความเป็นจริงเพรันเห็นอะไรก็เห็นว่านี้ภูตรูปและนี้อุปาทายรูปธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้สลายไปทุกอารมณ์เลยนะที่เห็น ที่ได้ยินที่รู้กลิ่นที่เรียกว่าเป็นรูปธรรม ท, ทั้งหลายรับไปเลยว่านี้คือภูตรูปนี้คืออุปาทายรูปสิ่งเหล่านี้ต้องสลายไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องสลายไปทีนี้คําว่านามนะ่ะนามนามแปลว่าธรรมชาติที่น้อมไปน้อมไปเพื่อจะอะไรเพื่อจะรู้อารมณ์น้อมไปเพื่อที่จะรู้สีเคยอยากดูไหมไหนไหนก็ดูสิก็ดูสิอะไรอะไรไปดู นั่นแหละลักษณะของนามธรรมาอ่ะนะเงี่ยหูฟังนะอันนี้ว่าไงนะเอาใหม่ตีอันนั้นลักษณะนั่นแหละนามเนี่ยมันน้อมไปเพื่อจะรู้แล้วก็เวลามีกลิ่นขึ้นมาก็ทําจมูกหน่อยใช่ไหมไปเห็นไหมทำยังไงบ้างนั่นแหละอันนั้นก็ลักษณะของนามที่ประสงค์ที่จะรู้รู้ ร, ร, รู้รู้กลิ่นใช่ไหมเคยชิมแกงไหมมาแล้วก็มาแล้เฮนี่มเป็นยังไงนะรสเป็นยังไงเพื่อจะรู้รสอ่ะนะลักษณะอันนั้นก็เป็นนามธรรมเนี่ยนะ เพราะเช่นร้อนเกินไปเย็นเกินไปนนการรับรู้พวกนี้ก็เป็นโลกของนามธรรมหรือชีวิตของผู้ที่ครุ่นคิดเนี่ยนะครุ่นจะไปรับรู้เรื่องราวต่างๆอันนี้ก็เป็นลักษณะของนามธรรมนามธรรมนี้ท่านให้อัตถะว่าธรรมชาติที่น้อมไปเพื่อจะรู้อารมณ์ธรรมชาติน้อมไปที่จะรู้อารมณ์เช่นน้อมไปเพื่อจะเห็นน้อมไปเพื่อจะฟัง น้อมไปเพื่อจะรู้กลิ่นน้อมไปเพื่อจะรู้รสน้อมไปเพื่อรับกระทบโพธะน้อมไปเพื่อจะนื้คิดเรื่องราวต่างๆครุ่นคิดเนี่ยนะก็เรียกว่านามคําว่านามเนี่ยนะนามเนี่ยท่านบอกว่านามะแปลว่าชื่อก็ได้เพราะชื่อเป็นชื่อที่เป็นที่ตั้งแล้วไม่มีการเปลี่ยนด้วยนะนามเนี่ยมันมว่ามันตั้งอยู่แล้วมันไม่มีการเปลี่ยนเหมือนรูปรูปยังมีการเปลี่ยนใช่ไหม รูปยังมีเปลี่ยนว่ะนี้รูปแบบนี้เรียกเรียกเรียกอย่างนี้รูปแบบนี้เรียกอย่างนี้รูปแบบนั้นเรียกอย่างนั้นแต่นามนะภาษาภาษาก็ภาษาวันยังคำเวทนาก็เวทนายังคำสัญญาก็สัญญายังคำชื่อเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนอีกเลยเจตนาก็เจตนาวันยังคำวิญญาณก็วิญญาณวันยังคำรู้ธรรมชาติที่รู้แจ้งก็รู้แจ้งอยู่อย่างนั้นเพราะคำว่านามนี่แปลว่าตั้งเอาไว้โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนเลยเช่นใครดีใจก็บอกว่าดีใจเหมือนกันหมดจะไม่เรียกว่า จะไม่ไปบัญญัติกับอีกคนหนึ่งว่าเป็นเป็นอย่างอื่นเลยใช่ไหมไม่เหมือนกับลักษณะของรูปรูปยังมีการเปลี่ยนชื่อไปตามตามตา ม, ตามความเหมาะสมแต่เวแต่นามมาทำทั้งหลายไม่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเนี่ยนะไม่มีการเปลี่ยนชื่อเลยเพราะฉะนั้นคําว่านามนี่แปลว่าชื่อก็ได้แปลว่าตั้งไว้ซึ่งชื่อเอาไว้ให้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น น, นนะพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรูก้ก็ชื่อเหล่านี้ก็ยังก็ยังเป็นในลักษณะนี้ แต่ว่าทั่วๆไปมักจะกล่าวถึงว่านามคือธรรมชาติที่น้อมไปเพื่อจะรู้อารมณ์เนี่ยนะทีนี้คําว่านามนามที่ว่าน้อมไปรู้อารมณ์เนี่ยการรู้จักนามและรู้จักรูปตามความเป็นจริงอย่างนี้แหละความเห็นตัวนี้เรียกว่าทิิวิสุทธิเป็นความเห็นที่ตรงอันนี้ว่าพูดแบบสรุปนะพูดแบบสรุปซึ่งจะไม่กล่าวรายละเอียดต่อไป รายละเอียดที่กล่าวถึงวิธีการกำหนดนามรูปในที่นี้เนี่ยนะท่านพูดไว้อย่างน้หกในเนี่ยนะพูดว่าวิธีแสดงการพิจารณานามรูปนั้นพิจารณาหกในในที่หนึ่งก่อนนะมาดูวิธีพิจารณานามรูปวิธีที่หนึ่งของผู้ที่จะพิจารณานามรูปผู้ที่จะเจริญความเห็นหรือว่าทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยนะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่า ก่อนอื่นพระโยคาวจรผู้เป็นสมถะยานิกะผู้ใค่จะทำ ท, ทิิวิสุทธินั้นให้ถึงพร้อมพึงออกจากรูปราวจรฌานหรืออารูปราวจรฌานที่เหลือฌานใดฌานหนึ่งยกเว้นเนวสัญญาณาสัญญาเยตนะแล้วกำหนดถือเอาองคฌานทั้งหลายมีวิตกเป็นต้นและทมทั้งหลายที่สัมปยุตกับองคฌานเหล่านั้นด้วยสา ม, มารถแห่งลักษณะและรสะเป็นต้นก็คือกาหนดโดย ลักษณะที่จตุ ก, กะนั่นเองตอนแรกก่อนนะถ้าใครที่เจริญสมถะมาเป็นเบื้องแรกนะท่านบอกว่าให้เข้าฌานก่อนคือพื้นฐานได้ฌานอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ประกาศถึงผู้ที่มีจิตตะวิสุทธิเป็นเป็นอย่างดีบริบูรณ์บริสุทธิ์พุดพองแต่บอกว่าให้ให้ล่างๆเนวะสัญญาหน่อยนะ เ, นยนะเพราะว่าตัวเนวะสัญญาเนี่ยเป็นภวกรรมภวคะเนี่ยนะแปลว่าอะไรถึงยอดใช่ เป็นเป็นธรรมที่ถึงยอดของธรรมทั้งหลายในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ละเอียดนะโลกิยธรรมที่ละเอียดอันนี้ไม่พูดโลกุตระนะพูดถึงโลกิยธรรมที่ละเอียดเนี่ยเนวสัญญาณาสัญญายตนานี่ละเอียดที่สุดคนที่ปฏิบัติในเบื้องต้นไม่สามารถจะกำหนดได้ไม่สามารถจะแยกแยะวิเคราะห์ได้หรอกว่านี้ผัสสะนี้เวทนานี้สัญญานี้เจตนานี้สังขารนี้วิญญาณก็ยากที่จะวิเคราะห์ นามา ร, รมทั้งหลายในเนวสัญญานาสัญญายตนะเพราะฉะนั้นก็ผู้ที่จะพิจารณาเนี่ยนะเอาแค่ระดับอากินจัญญายตนะต่าลงมาเนี่ยนะเป็นบาทคือถ้าได้เนวสัญญาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ได้ไปแต่ว่าให้ลดมาเข้าฌานล่างๆก่อนแล้วออกจากฌานจึงจึงจะเจริญวิปัสสนาแบบนั้นแต่ถ้าบรรลุไปแล้วค่อยว่าอีกที ทีนี้วิธีกำหนดเนี่ยนะก็กำหนดโดยลักษณะวิธีกำหนดโดยลักษณะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะการพิจารณาเหล่านั้นก็ไม่พ้นการพิจารณาขันห้าขันห้าคืออะไรทวนมาอีกครั้งหนึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณการกำหนดนามธรรมทั้งหลายก็กำหนดเนี่ยเวทนากำหนดสัญญากำหนดสังขารแล้วก็กำหนดวิญญาณ ถามว่ากําหนดเวทนาเนี่ยกําหนดยากหรือง่ายยากหรือง่ายยากหรือง่ายตกลงถ้ากําหนดอารมณ์ไว้เป็นอย่างดีเนี่ยนะกําหนดเวทนากําหนดไม่ยากที่มันยากเพราะเราไม่เคยกําหนดดูวัตถุอารมณ์ของเวทนาเลยแต่พูดแบบคนทั่วๆไปเนี่ยนะสมมุติถ้าหากว่า เราเนี่ยเข้าปล่อยให้เราเฝ้าบ้านอยู่คนเดียวแล้วเราก็เอาของมาเทเรียราาเต็มบ้านไปหมดเลยเนี่ยนะคนอื่นที่เข้ามาถึงบ้านเนี่ยเขาจะยิ้มเลยใช่ไหยเขามีความสุขมากเออช่วยละเลงเอาไว้ตีเศษแก้วแตกกระจัดกระจายเรียราาเต็มบ้านหมดเลยคนอื่นเข้ามายิ้มกันหมดเลยใช่ไหมสตรูใช่ละ่ะแต่ว่าญาติในบ้านเนี่ยอาจจะเราเนี่ยอาจจะทุกขากาแยวิญญาณอาจจะเกิดก็ได้เนี่ยนะ อันนี้ก็ลักษณะเดียวกันว่าถ้าดูวัตถุและรู้เวทนาได้เลยว่าเมื่ออารมณ์เหล่านั้นรับแค่อารมณ์ปับรู้เวทนาได้เลยว่าเวทนาอย่างนี้เห็นแล้วต้องดีใจเวทนาอย่างนี้เห็นแล้วต้องเสียใจวัตถุในที่นี้แปลว่าอารมณ์นะวัฏานมณะเนี่ยนะแปลว่าวัตถุคืออารมณ์เพราะนั้น ดูจากอารมณ์นี่รู้ได้เลยทันทีว่าจะดีใจหรือจะเสียใจเพรา ะ, ะนั้นคนที่เข้าฌานเนี่ยนะอารมณ์ของรูปฌานรู้ได้เลยใช่ไหมเวทนาต้องเป็นอะไรรูปฌานนะโดยมากก็เป็นโสมนัสเวทนาโดยมากนะปฐมฌานทุทาานตทิยฌ า, านตติยฌานโดยมากก็เป็นตัวเขาเองเป็นโสมนัสเวทนาถ้าจะตุทฌานอุเบกขาเวทนาถ้ารูปฌาน ก็เบิกขาเวทนาเพราะโดยชาญนี้บอกอยู่แล้วว่าเวทนานี้เป็นยังไงเพราะดูจากอารมณ์อารมณ์ของรูปฌานอารมณ์ของอรูปฌานก็ดูออกอยู่แล้วว่าอันนี้เวทนานี้เป็นเป็นอะไรเมื่อรับอารมณ์นั้นเอออันนี้คิดว่าถ้าเป็นกุศลนี่มันค่อนข้างจะไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าอากุศลเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนมากกว่าเพราะว่ายัง พิจารณาอาสุภะเนี่ยซึ่งเป็นอนิถารมเนี่ยท่านก็ยังมีโสมนัสเวทนามันอย่างกุศลนี้มันแล้วแต่แล้วแต่อะไรครับเพราะว่าบางครั้งก็อุเบกขาบางครั้งก็โสมนัสก็เบื้องแรกๆเลยนะเบื้องแรกๆเนี่ยคนที่เจริญอสุภะเนี่ยโดยมากโทสะกันร้อยละเก้าสิบหรืออาจจะเกินกว่านั้นด้วยซ้ำไปตอนต้นเลยนะ เห็นอสุภ่าเห็นหมาตายละยิ้มแป้เลยเออเขามีความตายเป็นธรรมดาเนาะนะไม่เนี่ยนะเป็นลักะประเภทมหากุศลที่เกิดร่วงกับอุเบกขาซะส่วนใหญ่หรือสังเวกวาวุเนี่ย น, นะเป็นมหากุศลประเภทอุเบกขาอวนไว้แต่คนที่จะเจริญสิ่งนั้นจนเป็นอุกหานิมิตเป็นนิมิตระดับสูงขึ้นไปพวกนี้จะส ม, มนะแต่ถ้าเป็นในระดับล่างๆโดยมากอุเบกขา เป็นกุศลที่เป็นอุเบกขาแต่ถ้ากุศล อ, อาสุภาที่จนเป็นปฏิภาคนิมิตแล้วนะเป็นเพราะ ป, ปฏิภาคนิมิตมันไม่ได้มีความปฏิกูลแบบตอนต้นเพราะฉะนั้นอันนั้นจึงจะเป็นอารมณ์แห่งโสมนัสต่อไปเพราะั้นคนที่อยู่กับอสุภาโดยมากไม่ค่อยยิม้มเนี่ยนะไม่ค่อยยิ้มหรอกถ้าพิจารณาอาสุภาโดยมากนะถ้าไม่ได้ระดับสูงไปเนี่ยไม่ค่อยยิม้มมันสรุปว่าถ้าเจริญกุศลในปฏิภานิมิตโดยมาก เป็นระดับเป็นมหากุสลประเภทอุเบกขา <c oughs> แต่ว่าทั่วๆไปเนี่ยสำหรับผู้ได้ฌานเนี่ยนะโดยองค์ฌานของท่านท่านก็รู้อยู่แล้วว่านี้เป็นโสมนัสนี้เป็นอุเบกขาถ้าท่านแยกเวทนาไม่ได้แยกแยกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ท่านเจริญฌานระดับสูงไม่ได้เนี่ยนะท่านจะเกียติกันบางอย่างเช่นว่าผู้ที่ได้ปัททอุติยะฌานเนี่ยจะต้องกันวิตกวิจาร์ออกไปท่านรู้จักวิตกวิจาร แล้วกันวิตกวิจาร์ออกไปผู้ที่ได้ตัติยชานเนี่ยจะต้องกันปีติออกไปนะผู้ที่จะได้เจตุทะชานต้องกันสุขกันทุกขออกไปให้ได้อันนี้คือคนที่จะได้ฌานเนี่ยกันเกียรติกันนะไม่ให้เอกสิ่งเหล่านั้นนะเพราะว่านิวรณห้เป็นปฏิปักษ์ของปฐมฌานวิตกวิจาร์เป็นปฏิปักษ์ต่อทุติยฌานปีติเป็นปฏิปักษ์ต่อตัติยฌานสุขทุกขเป็นปฏิปักษ์ต่อ จะตุทะฌานมันท่านจะกกันนามาทำเหล่านี้ออกได้เพราะในโลกของผู้ที่เจริญสมถะญาณิกเนี่ยนะผู้ที่จะได้สมถะยกรอพวกนี้มีความเข้าใจในเรื่องนามธรรมค่อนข้างสูงมากเช่นว่าผู้ที่จะได้แค่ปฐมฌานเนี่ยนะได้ระดับปฐมฌานถ้าไม่รู้จักนิวรณ์เนี่ยจเจริญปฐมฌานได้ไหมแสดงว่าเขาจะต้องรู้จักพยากรารมฉันท่นินวรณ์เป็นอย่างดีรู้จัก พยาบาทนิวรเป็นอย่างดีรู้จักอุทจักกุกุจานิวรเป็นอย่างดีรู้จักถีนะมิทะนิวรเป็นอย่างดีรู้จักวิจิกิจชานิวร อ, อย่างดีแล้วเกียรกันนิวรเหล่านั้นออกไปแล้วจะต้องเห็นคุณ <c oughs> แล้วเขาจะต้องเห็นคุณของวิตกเป็นอย่างดีอนนะคำว่าวิตกนี่แปลว่าอะไร ทั่วไปท่านนิยมแปลว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์ยกจิตเอาเรื่องนั้นมาคิดนะนะเรารู้ว่าเช่นอย่างเนง่ายๆว่าถ้าใครจเจริญเมตตาเนี่ยนะถ้าเราไม่ไม่เป็นเจริญไอ้อัพยาปาถ้าวิตกเมตตาไม่เกิดหรอรต้องตึกใช่ไหมขอให้มีความสุขนะขอให้มีอายุยืนอย่าเบียดเบียนกันนะก็เป็นความคิดลักษณะนี้ให้เป็นไปได้มากได้ยาวและต่อเนื่องอันวิตกธรรมชาติที่ ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิจาร์ก็ต้องว่ากระชันไปกับอารมณ์นั้นเคล้าไปกับอารมณ์นั้นให้มันต่อเนื่องไปทีนี้ถ้าเจริญถูกต้องคิดอย่างนี้ถูกต้องปีติจะต้องเกิดจะนะปีติแล้วก็ผู้ที่มีปีติก็ถือว่าเป็นเหตุใกล้ของความสุขนะเพราะปีติเป็นเหตุใกล้ของความสุขปีติปัสสัทธิเนี่นะพวกนี้เหตุใกล้ของความสุขทีนี้ถ้าสุขเนี่ยวิตกวิจารปีติสุข เกิดเท่าใดเนี่ยนะก็ทํายังไงว่าสมาธิจะได้มั่นคงขึ้นประคับประคองไอตัวสมาธิให้มัน่นคงมันผู้ที่จเจริญสมถะญาณิเป็นผู้ที่แต่งนามธรรมา น, นะนะโลกของการพื้นฐานคือแต่งนามธรรมาัะนามธรรมาเนี่ยเป็นของไม่ยากสําหรับท่านเพราะถ้าท่านไม่รู้จักนามธรรมาดีท่านจเจริญเมตตาไม่ได้หรอกท่านจเจริญเมตตาจนได้ชาญไม่ได้หรอกท่านจเจริญอสุภะเป็นต้นจนได้ชาญไม่ได้หรอกถ้าท่านแยกแยะโลกของ นามมาทําไม่ได้ท่านท่านคิดเรื่องนามมาทำนี่ค่อนข้างมากอย่างน้อยวิเคราะห์ได้จนแยกแยะว่าอะไรอุปการะต่อองค์ชาญวิตกใดอุปการะต่อองค์ชานวิตกใดไม่มีอุปการะต่อองค์ชาญท่านท่านวิเคราะห์แยกแยะเสิ่งเหล่านี้ได้อย่างละเอียดละออยอย่างถี่ถ้ถวนถ้าแยกแยะความคิดตัวเองไม่ได้เนี่ยเจริญกุศลง่ายไหมแยกแยะความรู้สึกตัวเองไม่ได้ว่าความรู้สึกแบบนี้เป็นกุศล เวทนาแบบนี้เป็นไปกับกุศลเวทนาแบบนี้เป็นอกุศลเวทนาแบบนี้เป็นอัพยากตะถ้าแย่ย่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะอยากคิดเลยว่าจะได้ฌานเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ใช่ฐานะเพราะฉะนั้นคนที่ได้ฌานเนี่ยพื้นเพจริงๆจึ ง, จ ง, จงเป็นคนติเหตุกะปฏิสนธิเนี่ยนะเป็นคนที่จําเป็นต้องเป็นติเหตุกะปฏิสนธิถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะมันจะรู้ไม่ได้ว่าขณะนี้รับอารมณ์นี้เข้าฌานได้ รับอารมณ์นี้ทำไมเข้าฌานไม่ได้ทำไมจึงเข้าฌานไม่ได้แล้วเข้าฌานได้เพราะอะไรนะท่านท่านอธิบายได้หมดเลยในในสิ่งนั้นนั้นเพราะท่านเป็นผู้ชำนาญในสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดีทีนี้แต่ละอย่างเมื่อวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยนะก็กำหนดว่า คำว่ากำหนดตัวนี้หมาจากอะไรบาลีว่าอะไร <c oughs> บาลีว่าปริคเหตตวาในหน้าสามปริคเหตตวาเนี่ยนะปริคเหตตวาตัวนั้นแปลว่ากําหนดกําหนดกําหนดแปลว่าตั้งเอาไว้โดยไม่ปะปนกันกําหนดในที่นี้นะแปลว่าตั้งเอาไว้โดยไม่ปะปนกันไม่ให้มันคละเคล้ากัน ตั้งไม่ให้ปะปนกันว่ายังไงตั้งไว้ว่าธรรมชาติแม้ทั้งหมดนี้เป็นนามเพราะมีสภาวะน้อมไปโดยน้อมไปเฉพาะหน้าต่ออารมณ์เช่นผู้ที่ที่จะเข้าฌานเนี่ยนะจิตของท่านต้องเน้น้อมไปหาอารมณ์ของฌานท่านจึงจะเข้าฌานได้อย่างคนที่จะเข้าเมตตาฌานเนี่ยนะเขาต้องน้อมไปหาอารมณ์อะไร น้อมอารมณ์อะไรต้องน้อมไปหาปิยมนาสัตอารมณ์นั้นต้องเป็นปิยมนาปะสัตเป็นอารมณ์ท่านจึงเข้าเมตตาฌานได้ถ้าท่านน้อมไปที่จะเข้ากรุณาฌานน่ะทุกขิจตสัตถ้าน้อมไปที่จะเจริญมุทิตาฌานก็ต้องเป็นสุขิจตสัตใช่ไหมท่านน้อมไปที่จะเจริญอุเบกขาก็เป็นขขมัชชะสัตถ้าท่านน้อมไปที่จะเจริญ อ, อ, อ, อสุภะ อสุภะทั้งหลายก็เช่นอสุภะของผมของเล็บของฟันของหนังของเนื้อเอ็นกระดูกเกี่ยในกระดูกค่อยๆมาไล่ทีละอย่างทีละอย่างไปเรื่อยๆอันนั้นแหละท่านจึงจะท่านสภาพที่น้อมไปรับรู้อารมณ์ทั้งหมดเหล่านั้นเป็นนามธรรมา ท, ทั้งหลายเป็นลักษณะของนามธรรมา ท, ทั้งหลายพรานน้อมไปเพื่อจะรู้อารมณ์นั่นเองอันนี้นี่พูดแบบเออเอาให้มันหยาบที่สุดแล้วค่อยๆเอาคําว่านามเนี่ยมาผาลงอีกหลายๆส่วนเนี่ยนะ ธรรมชาติตอนแรกคือธรรมชาติที่น้อมไปเพื่อที่จะรับรู้อะไรเช่นน้อมไปเพื่อจะเห็นน้อมไปเพื่อจะฟังน้อมไปเพื่อจะรู้กลิ่นรู้รสรู้โภตพภะแต่ในที่นี้เน้นพิเศษว่าน้อมไปเพื่อจะเข้าฌานธรรมชาติที่น้อมไปหรือตั้งอยู่ในอารมณ์ของฌานธรรมชาติอันนั้นชื่อว่านามลาพระอาจารย์ฮะพระอาจารย์ใน คำที่ท่านใช้เนี่ยคือสภาวะน้อมไปเฉพาะหน้าต่ออารมณ์ถ้าอย่างงี้แสดงว่าขณะนั้นคือท่านน้อมปเดียวมีน้ำนี่มาเป็นอารมณ์แล้วก็เข้าฌานแล้วหลังจากนั้นเมื่อออกจากองฌานก็มาพิจารณาน้มนั้นโดยลักษณะเฉพาะหน้าอีกทีอย่างนั้นใช่ไหมครับเฉพาะหน้าหมายความว่ากาลังปรากฏอยู่ขณะนั้นใช่ไหมครับก็ <c oughs> โดยทั่วๆไปท่านก็จะเข้าฌานก่อนเนี่ยนะออกจากฌานก็คือมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องฌานเนี่ยนะคือพวกนี้มันคล้ายๆกับปัจเจกขณะวสีนั่นแหละคือหมายว่าพอเข้าฌานเสร็จ เ, เช่นเข้าฌามีเมตตาฌานเป็นอารมณ์หรื อ, อมีสุขขิตัสสะเป็นอารมณ์ทุกขิตัสสะก็มาวิเคราะห์ถึงคือแยกแยะสองตัวก่อนตัวอารมณ์กับตัวตัวฌาน น, นนะนะตัวตัวฌาน แล้วก็วิเคราะห์ตัวฌานเหล่านั้นว่าธรรมชาติของของตัวจิตหรือตัวชานจิตเป็นธรรมชาติที่มุ่งหน้าไปรับรู้อารมณ์แต่ไม่ใช่ว่ามองนะ่ะรับรู้แต่เฉพาะหันกลับมาดูแต่ตัวเองไม่ใช่เพราะว่าตัวเองรู้ตัวเองเป็นอารมณ์ไม่ได้นามทั้งหลายไม่สามารถรู้ตัวเองเป็นอารมณ์ได้เพระงั้นเขาก็จะวิเคราะห์นี้คลิปง่ายๆแบบฉะฉะกระสูดง่า ย, า ย, แบบายนี้วัตถุนี้อารมณ์นี้วิญญาณอันนี้นี่กำลังพูดเฉพาะในส่วนของที่เป็น วิญญาณก็สามารถวิเคราะห์ว่าเออธรรมชาตินี้เขาน้อมไปเพื่อรู้อารมณ์เช่นว่าคิดง่ายๆไ ง, งถ้ามองแบบหยาบๆเลยนะโอ้ดูที่เขาจ้องดูเลยนะเขาจ้องดูใหญ่เลยไอตัวที่จ้องดูคืออะไรนั้นธรรมชาติของนามก็คือเนี่ยมุ่งหน้าต่ออารมณ์แปลแปลเป็นไทยว่าตัวที่จ้องไปเพื่อที่จะจะเห็นจ้องดูเพ่งดูพิจารณาดูไอตัวที่น้อมไปดูตัวนั้นแหละเรียกว่านามธรรมหรือถ้าเป็นภาษาทวารหนูก็ได้ไว ดูสิแม้ตะแคงหูฟังจังเลยเนี่ยนะเงียฟังเลยรู้ว่าไอ้ตัวที่ฟังไม่ใช่ตัวหูหรอกแต่เป็นนามที่ ท, ที่เกิดขึ้นเพื่อได้ยิยนเนี่ยนะในแต่และทาวารก็ลักษณะเดียวกันพระอาจาร<ะ><ะ>ยา์นะครับเฉพาะหน้านน่ภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรครับอภิมุขะอภิมุขะเนี่ยนะจริงจริงแล้ว คำว่าเฉพาะหน้านี่มันจะเป็นใช้ในการที่เจริญวิปั ส, สนาทุกครั้งด้วยหรือเปล่าครับขณะที่เข้าฌานหรือแม้แต่ออกจากฌานแล้วหรือแม้แต่ขณะที่เกิดนมามรูประเปริเฉทญาณะด้วยออมาฟังไม่ค่อยเข้าใจคือหมายความว่าขณะที่เจริญวิปั ส, สนาทั้ง16บหกานนะฮะพระอาจารย์เช่นสวะขณะอย่างแรกเนี่ยนมามรูประปริเฉทญาณะเนี่ยในการแยกนามรูป ขณะนั้นรู้ว่ามีนามรูปเกิดขึ้นแยกสามารถที่จะแยกลักษณะสัน ต, ติออกได้ว่าไม่มีการเกิดสืบเนื่องกันไม่ใช่เห็นจิตเป็นดวงเดียวกันแยกว่ามีนามและรูปเกิดดับสลับกันไปแล้วก็เห็นปัใจจัยในการเกิดขึ้นของนามแล้วก็รูปหลังจากนั้นก็ค่อยมาสัมมาสนะเพื่อจะแยกลักษณะของลักษณะสังเขปทำทั้ง201หแล้วก็ดูลักษณะตระัรัก แล้วค่อยน้อมไปที่อุทยพยาญาณคือเห็นการเกิดแล้วก็ดับโดยทั้งปัจจัยแล้วก็ขณะแล้วก็น้อมไปที่พังคยานคือเห็นการดับอย่างเดียวลักษณะขณะนั้นเนี่ยเป็นลักษณะที่โดยเฉนิยานหลังๆเนี่ยจะเป็นลักษณะในขณะที่เฉพาะหน้ามากกว่าไหมครับเช่นขณะที่เห็นพังคยานเนี่ยเห็นการดับตลอดไปตลอดสายเลยจนทั่งเห็นว่ามันเป็นลักษณะเป็นภัยเป็นพยาญาณเนี่ยอันนั้นคือคําว่าเฉพาะหน้านี่จะมีความหมายคือ จะค่อนข้างจะเด่นชัดในวิปัสสนาญาณที่กําลังเกิดขึ้นโดยเอานามธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเห็นจริงๆว่ามันดับไปจริงๆเฉพาะหน้าขนาดนั้นเนี่ยใช่ไหมครับก็ในเขามากําลังอธิบายในเบื้องต้นอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวพอไปถึงญาณ น, นั้นๆแล้วค่อยว่าอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ากําลังจะอธิบายไอ้ตัวเฉพาะหน้าเนี่ยคำว่าเฉพาะหน้าคือคือธรรมชาติของนามในที่นี้หมายความว่ามันมุ่งหน้าไปสู่อารมณ์ มันคำว่ามุ่งหน้าไปสู่อารมณ์เนี่ยมันลักษณะว่าคือมันเป็นสัมนวนโวหารที่เราว่ามุ่งหน้าไปสู่สิ่งนั้นไอ้คำว่ามุ่งหน้าไปสู่สิ่งนั้นเน่ยถามว่าสิ่งนั้นจะต้องมีเฉพาะหน้าไหมเนี่ยนะถ้ามองเฉพาะหน้าอันนี้คือโลกของวัตถุเราเอาวัตถุไปอธิบายนามมาทําไม่ได้เพราะหน้าหน้าในที่นี้ไม่ใช่หน้าตาเนี่ยนะมุขขาตัวนั้นแปลว่าประตูเนี่ยพี่มุขขาตัวนั้นแปลว่า มุขะคือประตูหรือช่องของช่องของนามธรรมาว่าถ้านามธรรมาเขาเกิดขึ้นเขามุ่งไปสู่ช่องของเขาช่องของเขาอันนั้นคืออะไรก็คืออารมณ์เนี่ยนะมุ่งมุ่งน้อมไปเพื่อจะรับรู้อารมณ์คิดในแบบภาษาง่ายๆก็เช่นถ้าทวารตาก็จ้องไปที่จะดูคนที่จะเริยวิปัสนาเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยเราจะอยา ก, ยา ก, ยากเน้นว่าคนที่ยกสิ่งเหล่านี้มาวิจัยเนี่ยนะ เพราะงานที่กำลังพูดถึงเป็นลักษณะเป็นการวิจัยโลกของนมามธรรมเนี่ยนะนวิชาพวกนี้คนนี้ต้องมีสติสูงมากจึงจะวินิจฉัยได้นะซึ่งสำหรับในตอนนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน